พระพุทธเจ้าท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธบริษัทเป็นนักรบเหมือนกันวิธีการที่ท่านไปเที่ยวกรรมาฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นไปตามป่าตามเขาลำนอภัยคนอยากขาดการไม่สนใจมิได้ตั้งหน้าต่างๆเข้าสู่นรลเพื่อฆ่าพิเลศซึ่งเป็นตัวก่อปวนตัวทําลายจิตใจของสัตว์โลก ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยร้ายแรงเป็นภยัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้านมีจากกิจนี้ทั้งนั้นเลยพิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมีต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดเลจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาด ของสดของแห้งที่เรานํามารับทานนี่เป็นประโยชน์จับร่างกายจ่ายนี่มันร้อนต่างคนต่างมีสาตดกระจายมาโลกโลกมันก็ร้อนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบหรื่องเรืงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นําวิธีการดําเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอกระไทยมาแล้วนั้น มาสั่งสอนสัตวโลกโดยลำดับลำดับผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็ได้รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปเนี่ยมือเท้ถอยแต่ไปไม่รอดจอดจมเนี่ยผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับลำดับพระพุทธเจ้ามาต ร, สรัสลูแต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ ทำประโยชน์แก่โลกมากมายก่ายกองจนคขน า, นานับไม่ได้เลยที่ ส, สอนจะโลกให้พ้นไปได้โดยลำดับลาดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงประชนอยู่ก็มีจำนวนมากมายนอกจากนั้นพระาวาดก็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้บรรดาผุ้นับถือเคารพท่านในดำเนินปฏิบัติตาม อย่างพวกเราทั้งหลายดําเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปริพานนานไปแล้วนั้นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปริิพานนานไปนานแล้วนั้นไปตามการตามสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สําคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าปริพานไปนานแล้วเหมือนกับลื้อขนเอา ศาสนาธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมากฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคำพีใบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นแปงว่าเป็นความผิดถ้าคิดอย่างนั้นก่อนที่พระองค์จะปฏิพันธ์ก็เลยประทานพระวาดไว้กับพระอ น, นุ์ตอนที่พระอนุนประทุนถามท่าน เมื่อพระองค์ปรินิพพานนานปมิผ่านไปแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานมันจะสิ้นเกศสิ้นสมัยหมดเกศหมดสมัยพูดตามภาษาของเราก็ว่าพระนรเอท์ท่านรู้สึกว่าท่านท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนนถามถามาทําไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราถาคตมอบไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานเท้ง น, นั้นเนี่ยเราไม่ได้เอามารรคผลนิพพานของใครไปทั้งสิ้น นอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำละเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องของผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัตทิทำทุกวรจะทำยังมีอยู่พระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอนอย่าสงสัยนาะนทำนี้นานนั่นแลจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราจะถากดเมื่อเราปรนีนีผ่านไปแล้ว นั่นฟังนี่เป็นหลักทั้งผ่นฉะนั้นการปริพาน์จึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระองค์จะสรงลือถอนไปหมดดังที่ความเข้าใจกันศาสนาล่วงไปนานแล้วมรรคผลนผิพพานหมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหนเข้าวาดต้งมีอยู่ทุกบททุกบาท โดยสมบูรณ์ที่ประทานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นท่านเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการปฏิพันธ์ของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อปฏิพันธ์ไปแล้วก็หมดพุทธภาระในส่วนนั้นหมดไป ผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์ในระยะที่พระองค์ ท, งทรงประชนันอยู่ก็เป็นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรรคผลิพานโดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องต้นก็ได้พูดถึงเรื่องนักรบพระพุทธเจ้าเป็นนักรบท่านเอกท่านเยี่ยมไม่มีใครบอก ทางไม่มีคนอุบายวิธีที่จะลบกับกิเลสอาสวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่ิสยมผูยองมันเป็นที่แรกก็เป็นไปในความดุนดาวเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้ก็เห็นกอดุอนดาวไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่งในชำนะกิเลสออกหมดในพระไทยแล้วก็นําอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้นมาสั่งสอนโลกโดยลําดับลําดับ ผู้ที่เชื่อพระองค์ท่านก็ด้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามสเสด็จท่านพระองค์แต่นั้นก็ประทานพระอวเอาไว้ในผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบดไดบกคร่องสำคัญที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นทางดำเนินโดยตรง สนพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ที่ท่านกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเครื่องเตือนใจของเราเป็นแขนงแนงไปแต่ส่วนสําคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมากจริงๆเพื่อมรรคผลนิพพานล้วนๆแล้วก็ได้แก่สมาธิสัสมาสังกปะยมวจังสมาสมาธิ น, นี้เคลื่อนคลาดไปไม่ได้อันนี้เพราะนี้เป็นทางโดยดําเนินโดยตรงใครจะไปตัดลัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้ จะไปยืดเยอะยิ่งกว่านี้ขยายออกไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จําเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะก็ไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่จะเหนืออํานาจไปจากมักมมชฌิมาคือถ้ำกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสําคัญแล้วคําว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้ามหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาด ความเฉลียวฉลาดนั่นแหลเป็นเครื่องที่จะทำะทรักกิเลสได้เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสัตว์โลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากใจิตใจของสัตว์โลกสมาธิสัมมาสังก ป, ปูสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาสมาวาจารสมากรรมโตสมาคิวโวสมาบายาวรสมมาสติสม า, าสมาธิ นี่ก็เป็นองค์ประกอบไปโดยลําดับลำดับนี่เป็นธรรมจําเป็นอย่างนี้แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องถ้ามรรคคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในรายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดําเนินของตนบกพร่องถ้ามัชฌิมาปฏิปทานี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสผู้นั้นชื่อว่า ดำเนินทางโดยถูกต้องจะถึงจุดที่หมายไม่เนิ่นนานไม่มีทางปีกทางแมะคือทางมัชชิมานี้เท่านั้นนองนั้นเอาแน่ไม่ได้นี่เป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็นดำเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไว้แก่สารโลกก็ประทานแบบเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ทำคือมัชชิมานี้ จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนือไปจากมัทิมาปฏิปทานี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี้ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกําลังมากขึ้นคําว่าสัมาสติคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวกิเลสอยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวกิเลสออกไป ตีแพ่อำนาจไกลขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาด้วยอุบายแ ย, ยบคายของตนมันสลัดปัดทิ้งเกลดประเภทนั้นๆออกได้โดยลำดับลำดับไม่ให้มีอะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามตามผลของงานตามงานขณะกำหนดก็สติให้มีไปตามสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสาคัญมากในการดาเนินมากแล้วอะไร ทฤเฎีว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี่คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยสิอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกทั้งขานพวกนี่ความคิดความปรุงเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือของกิเลสมันเอาอันนี้เราไปใช้ไปปรุงไปคิดไปแต่ง ไปสำคัญมันหมายถึงงั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นว่าดีสิ่งนี้ว่าชั่วมันว่าไปงั้นกนะิเลสที่เราก็คล้อยตา ม, ลตา ม, ลตามหมลงตามหลงตามเมือหลงตามก่เลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็รคือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทาง จ, จิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสรศสรนต์ขึ้นมาปัญญาไปทําลายความเสศสรนต์นั้นให้ลงสู่หลักความจริงความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแปลความปลอมนี้คือเรื่องของกิเลส แยกแยกให้มันเห็นลงตามความจริงเช่นว่าสัตว์ว่าบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรอะไรเป็นสัตว์พิจารณาเข้าให้รู้ท่านว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลคำว่าบุคคำว่าคนม่าหญิงม่าชายมีอะไรเกเรตอาสวะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามว่ากีรังท้าวรว่ามีคุณมีค่านั้นอย่างนี้มันว่าไปอะไรๆมีค่าไปหมดเรื่องของเกเรตที่จะให้คน ลงคล้อยตามไปร่วมจมตามมันมันว่ามีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรอะก็ตามว่ามีค่าไปหมดเราที่ไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ร่วมจมตามมันไปเรื่อยๆนั่นมีแต่ความทุกข์ความลาบากภาในใ จ, ใจิตใจนี่เพราะอำนาจแห่งความเชื่อในกิเลสคอยตามกิเลสมี่ปัญญาจึงต้องตามพิจารณาแยกแยะอ้าวยกตัวอย่างเช่นแบบคนอะไรเป็นคน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 ผู้ที่ยึดตามพาให้กิเลสพาให้ยึดก็จมไปจมไปจิตของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเหยียบย่ําทํำลายนั่นเมื่อปัญญาได้ฝุดคดลงไปให้ถึงรากฐานความจิงแล้วจิตมันก็ดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเหยียบย่ําทําลายดีดขึ้นมาดีดขึ้นมานั่นนี่เดี๋ยวเรียนหลักความจริงทำคือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พา่นะเห็นตามความจริง เห็นอย่างท่านอยู่ที่เขาในป่าในเขามีความทุกข์ความลำบากความทรมานขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านไปพิจารณาใาสถฐานที่เหมาะสมเช่นนั้นเพื่อจะแก้ไขกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ไหนก็รื่นเรองงานการอะไรท่านเราทำลงไปหากว่ามีแต่ความบังคับบัญชาจิตเฉยโดยไม่มีรสมีธาตุโดยไม่มีความดึงดูด ไม่มีความพอใจแล้วมันทําไปไม่ได้ไม่ว่างงานโลกไม่ว่างงานทางธรรมงานทางโลกก็ทํำไปไม่ตลอดเหมือนกันใครจะบังคับจิตใจหยุดตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่างงานชิ้นไหนมีจต่การบังคับให้ทํำงานแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให้อยู่ไม่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบังคับจําจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้อย่างไงคนเราไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทํางานก็ทํางานไม่ได้อารับทานก็ไม่มีรถมีชาอะไรเลยบังคับให้รับทาน อะไรมีจะถูกบังคับเสียหมดอย่างนี้โลกจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะพอใจจะทำํำมีจะถูกบังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านั้นต้องล้มละลายงานการทั้งหลายต้องล้มละลายแต่นี่เพราะเหตุไรโลกจึงเป็นโลกงานจึงเป็นการแต่งงานก็เ พ, เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่องหนึ่งดูดพาให้ทําถึงทำํำถึงยากลาบากก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทําต้องบังคับจะทําเมื่อทําลงไปแล้ว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 มันตึงเป็นไปมันตึงทำอันนี้ยน่นแยกมาทางเรื่องงานของศาสนางานแจกกิเลสอาชวะงานบำเพ็ญคุณงามความดีมันก็มีรถมีชาติเช่นเดียวกันเห่นการทำทานทานแล้นเราจะหมดไปเพียงไรก็ตามแล้วก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเห็นประจักรอยู่นี่นั่นรุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี่เราเห็นชัดๆคือเรายื่นความสุขให้เขา เป็นความหิวความโหยเขามีความลําบากลําบนไม่ได้อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนอนไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์กินไม่ได้กินอิ่มน้ําสญาืก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นมาเป็นการกระทบกระเทือนร่างกายและใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่มื่อเราเสียสละให้เขาเราจะให้ข้าวให้น้ําก็ตามให้ที่อยู่ที่อาศัยก็าตามให้เงินให้ทองก็าตามให้ขนมขนมก็าตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาหลุดจากมือเราไป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 เรื่องการสงเคราะห์ซึ่งการนาการนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานเดงจะหมดไปนี่เป็นเรื่องรักษาศีลก็เหมือนกันศีลเป็นยังไงทําความลบเบียนให้แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครอันใดที่ขัดข้องต่อจิตใจและสมบัติเขาเจนอันตรายแก่สมแกสมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทําแม้เขามาทําเราเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความจริงของการนาการรู้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 อย่างนี้เพราะศีลของเรานี่เราก็พอใจรักษาการภาวนาอ้าวเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกข์จะลําบากก็เราทํางานนี่ยตัวข่าตัวมันเสนียดจันทรลายอยู่ภายใน จ, จิตใจของเราเหมือนกับเสือร้ายซึ่งมีอยู่ภ า, าจจยในใจข้าว่ากิเลสมันหลายประเภทความโลภ ก, ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวเสือร้ายตัวหนึ่งความหลง ก, ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแต่กแขนงไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้น ร้อแร่ตั้งแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นหรอเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากอาหัวใจของสัตว์โลกนี้เป็นอาหารฉีกอยู่งั้นกัดอยู่งั้นอ่าไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายใน จ, จิตใจถ้ามากกว่านั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอยีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไม่เสียสุขภา พ, พทางร่างกายได้ยังไงนี่เนี่เสือร้ายมันมีอยู่ภายในใจการแก้ไขการทําลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องดีงาม แล้วขี้ น, นายดิแล้วทําไมจะไม่พอใจคนเราเอาทุกข์ก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอาชญพิษเป็นเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่แล้วเราจะเลี้ย ง, งมันไว้ทําไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทําลายความเดียดเดียนคอยยุ่ยแย่ก่อความขุน่น จ, จเราให้ชอบช้าขุ่นโมยตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้หนึ่นล้วนนี่ตั้งแต่สือร้ายมันเข้าไปทําลายภายในจิตใจการทําพอนาเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะ ทำลายเสือไล่นี่ตราปรามเสือไล่นี่ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่ห ล, ลานมันไปเพื่อบ้านเมืองคือหมายถึงกิจใจเราจะได้รับความร่มเย็นเปสูขทําไมเราจะไม่พอใจทำนี่แหละสากยาบุตรพุทธกินโรดพุทธกินโรดคือบริษัทของพระเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตตตธรรมต่อการเป็นทานเพ็่ศขินเทนภาวนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอาทุกก็ทูกตายก็ตายเมื่อเข้าในสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะ อาตาก็ตายนี่นี่เราเข้าสู่สงครามคือแก้กิเลสคือสู้กับกิเลสตัวเป็นสือรายหรือเป็นปัจจามิตรอันสําคัญที่มันทําคอยทําลายจิตใจเรามาตลอดนี่เราพอได้สติสตังและมีเครื่องสารอาวุธได้แก่ธรรมเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสู้สู้ด้วยวิธีต่างๆสู้ด้วยเียบทต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆ มีแต่ท่าสู้ท่าเดียวกิเลมันจะมีมากมายจากที่ไหนมามากมายเพียงไรก็าตามการสู้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่ส่งเสริมกิเลสมีแต่การทําลายกิเลสเดิมดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมดไปตายไปตายไ ป, ไ ป, ไปตายที่นั่นตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสกิเลสตายเกินอยู่ตามที่นัง่งที่นอนหมอนหมุนหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้น กิเลตายไปหมดเอาเข้าทานยงกรมก็ไปฆ่ายุ่งกองนาเ น, นาาารนาสันกรมข้ า, ป า, ขาขเปล่าเขาฆ่ากิเลสอย่างนั้นไม่ต้องไปเผาศพมันหากุชลาธรรมามายุ่งแลหละฆ่ากิเลสมันฆ่าง่ายจะตายไปไม่ต้องไปหานิมนต์พระมากุชลาธรรมากุชราธรรมายุ่งไปยุง่งง่ายลาบา ก, กประปรายเหนียวฆ่าตัวพิษตัภัยอยู่ายในจิตใจของตนอามีความเข้มแข็งกิเลสมันสู้ความเข้มแขงไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้เพระเป็นศาสตราวุฒิทันสมัยที่สุด ตั้งแต่สมัยใดมาแ ม, ม้ว่าแมาพระพุทธเจ้าองค์ใดล้วนแล้วตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบตามกิเลสอาศัยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วกิเลสก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้เราจะาวิธีการใดมาใช้ทําไมใช้โดวยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอาชนะกับกิเลสเป็นวิธีการที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือของเรายากก็เอาก็ปราบง่ายก็ปราบไม่ถอย จนกระทั่งสือนะอยู่ภายใจิตใจมันทิพหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายใจิตใจเพราะพี่เด็กตายไปหมดไม่มีอะไรมายุ่งมากวนไม่มีอะไรมากัดมาฉีดมา ย, ายุ่งแย่ทาลายแสนสบายอยู่ไหนก็สบายสบายสุขั้งมาตะสุขั้งมาตะอย่างพระมหากรบินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบันชมกลางคืนก็ดีเพรา ะ, ะเสด็จออกมา สงฆผนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นประรหารแล้วอยู่ที่ไหนก็สุขขังวาตาสุขขั้งมาตะสุขนอสุขนอ้ขนอก็สุขและสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมายุ่ยแญ่ก่อควนพราะใจิตใจโล่งไปด้วยสิ ด, ด้วยอดด้วยธรรมโล่งไปด้วยความบริสุทธิ์ว่างเปล่าไปหมดโลกธาต น, นี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งวกวนจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากยีหาาเหลี่ยมทันหาอาวะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้ว น, น, น, น, น, น, นๆในกายเป็นใจที่ว่างไปหมด ว่างทุกว่างความโศกเศร้าโศกะอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนียดอนไรภารกิจใจไม่มีเลยนั่นว่างอย่างนี้แสนสบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการรบนี่คือผลแห่งการกระทําที่จะเป็นความลําบากยากเย็นเค้นใจขนาดไหนก็ตามผลเป็นที่ยอมรับกันมาประเสริฐอย่างนี้และเหตุใดพุทธบริษัทเราจะไม่พอใจ ดังที่เราทั้งหลายบำเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลำบากแต่เราก็พอใจทําเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้วว่าการทํานี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทําเอายากก็ทําง่ายก็ทําเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่อว่านักรบไม่ใช่นักหลบนี่นักหลบมันเป็นอีกอย่างที่อะคอยจะหลบที่อะคอยจะหลบนะแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้นี่นี่แหละศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ พระนิพนธ์านไปแล้วก็ตามอันใดที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงมาจากความถูกต้องนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามสัดตามส่วนที่พระองค์เจ้าตรัสไปแล้วว่าส ว, าวัสดิตก็ตรัโมุตรัสไม่ชอบแล้วนิยานิกระทำก็เป็นธรรมที่จะนําบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกเด่นดับเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้ า, าทรงสมพระชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตก ต, ต่างกันเลยเนี่จึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในถ้ำกลางแห่งสาสนาธรรมที่ถูกต้องนียงาพมะพุทธเจ้า เหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อํานวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับาศาสนธรรมท่านที่ได้ประกาศศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่มันเหมาะสมกับธรรมได้จะใจใครถ้าไม่ได้แก่ใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดฉันขอให้สู้เอาหัวขาดเถอะชื่อว่าลูกตาทาคตแล้วพระพุทธเจ้าจกคุศลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้ว เอาละเที่จะย่อเปียงพอสมควรขึ้นอยู่บนอากาศเลยไม่ลงเอาละอะไรอยู่บนอากาศไม่มีแอส